ทรงรับสั่งให้ลงตัชนิยกรรมครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะโดยประการต่างๆแล้วจึงตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากมักมา ก, มากไม่สันโดษความครุกคลีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่าย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 สงจงลงตัดชนียกรรมแก่พวกภิกษุนิสิตของพระปันดกกะและพระโลหิตกะ